นะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธ ะ, นะะกอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะกระบดีเธอผู้ใดใช้โกพกซั์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ เป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่4ประการ4ประการอย่างไรเล่า4ประการคือ1นึ่นั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้ในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและปีดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภรรยาท่านและกรรมกรทั้งชายและหญิงให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหาร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 คือตนนั้นใช้โภกรัพับอันตนหาได้มาโดยชอบธรรมดังที่กล่าวแล้วข้างต้นในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆ น, น, นี่เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่2 อ, อันเถินนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลกระบดีข้ออื่นยังมีอีกคือเถิดนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมดังที่กล่าวแล้วข้างต้นในการทำปรีกรรมห้าประการ คือการสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์แขกการสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วการสงเคราะห์ชาติการสงเคราะห์เทวดานี่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สอันเธอนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้อบัีข้ออื่นยังมีอีก คือตนนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนนาได้มาโดยชอบธรรมดังที่กล่าวแล้วข้างต้นในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอุทิศแก่สมณปรามทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติระโสรจะจักคือความอดทนและความสงบสงีียม ผูฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิ่นในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่4อันเธอนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผล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 ของบุคคลใดถึงความหมดไปสิ้นไปเว้นจากกรรมในหน้าที่4ประการดังกล่าวนี้แล้วโภคทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโภคะอันบุคคล น, นั้นไม่ถึงแล้วโดยฐานะไม่บรรลุแล้วไม่บริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลก ร, ระบิดส่วนโภคทรัพย์ทั้งหลาย ของบุคคลใดถึงความหมดไปสิ้นไปโดยกรรมในหน้าที่สี่ประการดังกล่าวนี้แล้วโภคทรัพย์เหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นโภคะอันบุคคล น, นั้นถึงแล้วโดยฐานะบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลบุคคลผู้ใด ได้โพคะอันโอราแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมาดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำบุตรภรยาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำทาตุกรรมกรให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมิตรอมารให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอันอุทิตแก่สมณพรามทั้งหลายเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนมีฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นใบพรามเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริภโภคโภคเหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภค เหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไม่ทำลายได้น้ำก็ไม่พัดไปได้ทายาตอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยืแยงไปได้โหทศัพย์เหล่านั้นอันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่า เปรียบเหมือนในที่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีสาบโบกกรณีมีน้ำใสเย็นน่าดื่มสะอาดมีท่าขึ้นลงราบเรียบดีน่ารื่นรมมีคนเขาขนน้ำนั้นไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตาม ท, ท, ที่ต้องการบ้างน้ำนั้นอันบุคคลบริโภค ใช้สอยอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงซึ่งการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่านี้ฉันใดสัตว์บรุษคือคนดีใดที่ได้โภคทรัพย์อันโอฬาแล้วย่อมทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำมารดาบิดาให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทำบุตรภรยาให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำรำทาธาตุกรรมกรให้เป็นสุขให้อิ่มหนำทรมิตรอมาตยให้เป็นสุขให้อิ่มหนำย่อมตั้งไว้ซึ่งทักษิณาทานอันอุทิตแก่สมรพราหมณ์ทั้งหลายเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนมีฝักฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทน เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์เมื่อเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาก็ไม่ริบโภคะเหล่านั้นไปได้โจรก็ไม่นำไปได้ไฟก็ไม่ไหม้ทำลายได้น้ําก็ไม่พัดไปได้ทายาทอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้โภคทรัพย์เหล่านั้น อันเขาบริโภคอยู่โดยชอบอย่างนี้ย่อมถึงการได้บริโภคใช้สอยไม่สูญเปล่าฉะนั้นเหมือนกันพิกษุทั้งหลายอริยวงคือธรรมะที่เป็นเชื้อสายของพระเรียเจ้าสี่อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิอดยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแล้วแต่ก่อนไม่เคยถูกทอดทิ้งเลย ไม่ถูกทอดทิ้งแล้วและจะไม่ถูกทอดทิ้งอยู่เป็นธรรมะอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วอริยวงศ์สี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้และเป็นผู้สันเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้ ไม่ทำการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีบอเป็นเหตุไม่ได้จีวอลก็ไม่ทุรนทุรายได้จีบอลแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกปัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัตมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอนุ่งห่มจีวร น, นั้นอันหนึ่งไม่ยกตนข่มผู้อื่น เพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นก็เธอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมที่เลิศ มาแต่เก่าก่อนอีกประการหนึ่งเธอผู้ใดเป็นผู้สันโดษด้วยบินทบาดตามมีตามได้และเป็นผู้สันเสริญความสันโดษด้วยบินทบาดตามมีตามได้ไม่ทําการแสวงหาที่ไม่สมควรเพราะบินทบาดเป็นเหตุไม่ได้บินทบาตก็ไม่ทุรนทุราย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 เป็นผู้ฉลาดไม่เหยียดร้านมีสำปัญ ญ, ญะมีสติมั่นในความสันโดษด้วยบินบาตาบดตามมีตามได้นั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในเรียวงันปรากฏว่าเป็นธรรมที่เลิศมาแต่เก่าก่อนอีประการหนึ่งเธอผู้ใด เป็นผู้สันโดษด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้และเป็นผู้สันเสริญความสันโดษด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำการสแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพัน เห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัตมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้สายเสนาสะนะนั้น 1. หนึ่งไม่ยกตนกลมผู้อื่นเพราะความสันโดษ ด, ด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้นั้นก็เถอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะ มีสติมั่นในความสันโดดด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้นั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมที่เลิศมาแต่เก่าก่อนอีประการหนึ่งเธอผู้ใดมีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญ เป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละ 1. ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวก็เถอผู้ใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญ และการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิ่อมาแต่เก่าก่อนทิ่สุดตรงไหลอริยวงสี่อย่างเหล่านี้แหละปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิ่ยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จะไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่กัดการแล้วก็เถิดผู้ใดผู้ประกอบแล้วด้วยรีวงส่อย่างเหล่านี้แม้หากอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตาม อย่อมย่ำ ย, ยีความไม่ยินดีเสียได้โดยข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไหมที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าเธอผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินดีดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พู้ฆาพระองค์เป็นเครืหัดบริโภคกา ร, รแออัดอยู่ได้บุตรครองเรือนใช้สอสจันทร์จากแคนกาสีทัดสวงพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลยิน ด, ดีทองและเงินอยู่แต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่ อ, ตอไป แก่พวกข้าพระองค์ที่อยู่ในสถานะเช่นนี้เถิดระชจาาก็รับดีทำสีประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกื้อกูลแก่กุลบุตรในปัจจุบัน4ประการคือ 1. การถึงบร้อมด้วยความกยัน 2. การถึงบร้อมด้วยการรักษา 3. ความมีมิตร ด, ดีและ4ความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอกระบดีความถึงพร้อมด้วยความขยันเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้สำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการลุกขึ้นทำการงานคือด้วยอาชีพกสิกรรมหรือวานิชยกรรมโครักกรรมอาชีพผู้ถืออาวุธ อาชีพราชบุรุษหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นๆเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียดคร้านประกอบด้วยการสอดส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทำสามารถจัดให้กระทำนี่แหลเรียกว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันหรืออุตานะสัมปตา ก็ดีการถึงพร้อมด้วยการรักษาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้โภคทรัพย์อันเตอหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มดึ่งเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบรัพ์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายน้ำจะไม่พัดพาไปถาญาติอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปอย่างนี้นี้เรียกว่า การถึงพร้อมด้วยการรักษาหรืออารักขสัมปทากระเบดีการมีมิตรดีเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดถ้ามีบุคคลใดในบ้านหรือนิคมนั้นจะเป็นคระบดีก็ดีหรือบุตรของกระเบดีก็ดี เป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดีล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจากขะถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซเธอนั้นก็ดํารงตนร่วมสากัะจาร่วมพูดจาร่วมกับชนทั้งหลายเหล่านั้น เขาติดตามความถึงพร้อมด้วยศรัทธาโดยอนุรูปแกบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจากกะถึงพร้อมด้วยปัญญาโดยอนุรูปแกบุคคลผู้มีความถึงพร้อมด้วยศีลจากะและปัญญาอยู่ในที่นั้นนั้นอย่างนี้เรียกว่าความมีมิตรดี หรือกิริยานะมิตตาก็บระดีความดำรงเลี้ยงชีพยอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรเล่าคือตัวในกรณีนี้รู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำรงชีวิตยอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคื่องนัก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 เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สําเร็จการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยแล้วไส่ก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุ ร, ร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือ่อฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สําเร็จการเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นแล้วใส่ ก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาแต่ว่าเมื่อใดกุลบุตรนี้รู้จักความได้มาแห่งโพกษัพรู้จักความสิ้นไปแห่งโพกษัพแล้วดารงชีวิตอยู่อย่างสม่าเสมอไม่ฟุ่มเฟื่อยนักไม่เฟื่ยเฟืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเรา จะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัมมชีวิตาคือความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอกระบบดีในบรรดาผู้บริโภคกามเหล่าใดผู้บริโภคกามผู้ใดสแสวงหาโพกซั์โดยธรรม โดยไม่เครียดกรัดครั้นแสวงหาโกพกซั์โดยทำโดยไม่เครียดกรัดแล้วก็ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโกพกซับําเพ็ญบุญด้วยไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกซั์เหล่านั้นอยู่ด้วย กรมโภกีหรือผู้บริโภคกรมเช่นนี้ควรสรนเสริญโดยฐานะทั้ง4คือควรสรนเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่กเกรกรัดควรสรนเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรนเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขา แบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรนเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดมัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาก็เรื่องสลัดออกบริภโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นผู้บริโภคกรมผู้นี้ควรสรนเสริญโดยฐานะทั้ง4เหล่านี้ผู้บริโภคกรมจําพวกพนี้ เป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิอดชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบว ร, บรกับกามัพโขขี่ทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โกนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใส เกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิอดกว่าบรรดารถทั้งหลายอันเกิดจากโกข้อนี้ฉันใดกามะโผขีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิอกว่าบรรดาการมะโผขีทั้งหลายฉันนั้นแหละฟังธรรมคำพุทธะ